บทที่215บ้านวราริทหนึ่งกรกดาคมสุภาพบุรุษไพรของฉันคนใจดำบอกตรงๆนะไม่คิดว่าจะเขียนด้วยส่งข่าวอะไรให้คุณอีกเลยทั้งสิน้นขอให้อดีตที่ผ่านมาทั้งหลายนะเป็นความฝันไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นภายหลังจากที่คุณสัญญากับพวกเราไว้แล้วเมื่อก่อนจากกันครั้งสุดท้าย ที่บ้านพักคุณอัมพลเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่แล้วว่าอีกเจ็ดวันคุณจะตามพวกเราขึ้นมาพบปะและเลี้ยงฉลองกันที่กรุงเทพซึ่งมันก็เป็นแค่การให้สัญญาลมๆแรงๆของคุณไปอย่างนั้นเองเพราะจากกันวันนั้นพวกเราก็ไม่ได้ข่าวคราวอะไรจากคุณอีกเลยแม้แต่จดหมายสักประโยคเดียวพรานอะไรไ ร, ร้สัจและนี่ก็เป็นการไร้สัจครั้งแรกที่ฉันได้พบจากคุณ ก็โชคดีอยู่บ้างหรอกนะที่การไร้สัจจะของคุณน่ะกระทำขึ้นภายหลังจากที่พวกเราทุกคนพ้นจากการพึ่งพาคุณและกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าการไร้สัจจะชนิดนี้ไปเกิดขึ้นกลางป่าระหว่างเดินทางพาะเรามิตายกันไปหมดแล้วเหรอใช่ไหมจ๊ะเพราะพรานไพรใจฉกาดเราหมายถึงฉันพี่ใหญ่พี่กลางชายันแล้วก็เม โทรศัพท์ถึงคุณอำพลในวันที่หกอันเป็นวันที่เราสมควรจะได้รับข่าวคราวจากคุณและคุณอำพลก็ได้ส่งคนไปตามคุณถึงหนองน้ำแห้งก็พบพ่ อ, อพรานตัวดีของเรานะ่ะหายศีสะเข้าปาไปซะแล้วตั้งสองวันก่อนและไม่มีกำหนดเวลาที่ทางฝ่ายคุณอำพลรู้แน่ว่าคนชื่อรพินใครวันจะกลับเมื่อไรเขาสมบูสาบานกับเรา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 คิดถึงคนใจดำร้ายกาจคนหนึ่งฉันไม่เคยร้องไห้เพราะคิดถึงผู้ชายมาก่อนเลยนะและคิดว่าในชีวิตเรื่องอย่างนี้เป็นไม่มีซะละแต่ฉันก็ไม่ได้ร้องไห้หรอกน้ำตามันไหลออกมาเฉยๆอช่เมื่อฉันหวนคิดไปถึงเขาคนนั้นฉันถามตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าขนาดนี้เขากำลังนอนอยู่ใต้ร่มไม้ใบบางที่ไหนเนาะจะคิดถึงใครคนหนึ่ง ที่เคยนอนหนุนรวงอกเขากลางภัรในยามทุกยากอยู่ด้วยกันบ้างไหมใครคนหนึ่งผู้ซึ่งพอเจอะหน้ากันครั้งแรกก็เขมนหน้าเขาจะเต็มประดาอยากจะตบด้วยหลังมือให้สักชาดแต่แล้วในที่สุดใครคนนั้นก็ต้องเป็นฝ่ายบอกรักแก่เขาก่อนคิดแล้วก็น่าอายนะสงสัยใช่ไหมว่าฉันไปกับใครนึกเหรอว่าแฟนของฉันจะไม่มี เราแต่งงานกันทันทีที่กลับมาถึงบ้านและไปฮันนีมูนกันรอบโลกเปลา่าพูดเล่นนะ่ะฉันก็ไปกับพี่ชายของยันสองคนนะ่ะสิสองพี่ชายนะ่ะคุมน้องสาวยังไงดียังกะคุ้มไว้เตรียมประเคนให้ใครสักคนหนึ่งนั่นแหละไอ้หนุ่มเชื้อชาติไหนที่จะเข้ามาเรียบเคียงใกล้ชิดถูกพี่ชายสองคนทําหน้าที่เป็นทศกัณไล่ตะเพิดเอาไปหมดน้อย อย่าลืมสุภาพบุรุษที่แสนดีคนหนึ่งที่หนองน้ำแห้งเซนะาเขาทั้งสองมักจะพูดกันเช่นนี้เสมอเมื่อฉันมีเดทจะไปดินเนอร์หรือค็อกเทลปาร์ตี้กับไอ ห, หนุ่มคนไหนซึ่งแน่ละเอากระบุงโกยไม่ไหวแล้วก็ไม่ซ้ำหน้ากันด้วยสิและที่น่ารำคาญที่สุดก็คือแก่จนป่านนี้ละยังอุตส่ามีพี่ชายสองคนทาหน้าที่คอยควบคุมเรากระสาวอายุ10 ทั้งๆ ท, ที่เมื่อสมัยก่อนเขาทั้งสองคนไม่เห็นจะเอาใจใส่กับฉันแบบนี้เลยจะไปหัวหกก้คนขีดเที่ยวหัวราน้ําอยู่ที่ไหนแต่ก่อนก็ไม่เคยเข้ามายุ่งเดี๋ยวนี้ฉันกลายเป็นสาวน้อยรุ่นกระตอกที่พี่ชายตัวโตๆสองคนช่วยกันคุมไปซะแล้วละ่ะรู้ปะ่ะพี่กางาตะ บ, บันหน้าไอ้หนุม่มตะเลี้ยนคนหนึ่งเมื่อมันมาจับมือฉันไปจูบในคืนหนึ่งก่อนที่เราจะจากกันในงานบอล แล้วคืนนั้นน่ะเราทะเลาะ ก, กันถึงตีสามทีเดียวจนกระทั่งพี่ใหญ่เข้ามาห้ามและไล่ให้ไปนอนทั้งคู่ฉันกับพี่กลางนะ่ะไม่พูด ก, กันสามวันทีเดียวไอ้เรื่องที่เขามาต่อยแฟนยันคืนนั้นนะ่ะชัยยันกับเมย์ร่วมทางไปกับเราด้วยแล้วเมื่อถึงมิวนิกเมย์ก็เอาชัยยันแยกไปดูพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่แถบอาร์กติกเรามีจิตนัดพบกันอีกครั้งในสามสัปดาห์ต่อมาที่ฮาวายจากนั้น เราทั้งสองฝ่ายก็แยกกันอีกครั้งชั้นพี่กลางแล้วก็พี่ใหญ่มาญี่ปุ่นในขณะที่สองผัวเมียน่ะไปคีเนียเมเขาจะไปเยี่ยมพ่อของเขาที่นั่นโดยเอาสามีใหม่แล้วก็ลูกในท้องไปอวดพ่อเขาด้วยโดยเราสัญญากันว่าจะกลับมาพบกันในกรุงเทพอีกครั้งภายในไม่เกินหนึ่งเดือนเมเขามีกําหนดการที่จะมาคลอดที่กรุงเทพโดยย้าความตั้งใจเดิมว่า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 เมื่ออยู่ในท้องแม่ขนาดนี้ฉันคิดว่าน้ำหนักของเด็กอาจจะเกิน 4,000 กรัมขึ้นไปด้วยซ้ำขอภาวนาให้เขาคลอดได้โดยปกติอย่าให้ฉันต้องทำซิเซเรียนเซ t ชั n นเลยฉันพี่กลางแล้วก็พี่ใหญ่กลับมาถึงกรุงเทพก่อนชัยยันและเมเกือบสองอาทิตย์นย่และในขณะนี้เราอยู่กันพร้อมจากการตรวจท้องฉันคิดว่าเมย์คงจะถึงกาหนดคลอดภายในไม่เกิน2ออาทิตย์นี้เป็นอย่างชา สองผัวเมียต่างผิวต่างพันดูเขาจะรักกันอย่างแน่นแฟนดีมากและเมย์ก็เปลี่ยนนิสัยเดิมไปหมดเดี๋ยวนี้นะ่าไม่เจ้าชู้อีกแล้วละ่ะอารมณ์เยือกเย็นขึ้นมากและสวยกว่าตอนอยู่ในป่ามากนะักฉันคิดว่าคู่นี้คงจะอยู่ด้วยกันได้ตลอดไปแล้วชายันก็นําเมียแหม่มไปจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วญาติฝ่ายเขาก็ต้อนรับเมดีไม่มีใครรังเกียจอลืมบอกไป แหวนเพชรวงที่จักรราชสวย์ไม่ชั้นน่ะฉันไม่เคยถอดเลยนะสวมติดนิ้วอยู่ตลอดเวลามีอยู่วันหนึ่งฉันไปเที่ยวในตลาดเพชรนิวยอร์กนี่คุณทายสิพ่อค้าเพชรที่นั่นน่ะตีราคาฉันเท่าไหร่แน่ละเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินให้ฉันทันทีด้วยถ้าตกลงสองล้านสองแสนเหรียญอเมริกันจรพินฉันนี่ตัวเจนเชียบพี่ใหญ่กับพี่กลางาตะลึง เพราะข่าวแพร่สะพัดออกไปเท่านั้นแหละเราถึงก็ต้องจ้างนะักสืบสองคนแล้วก็ตำรวจมาคอยคุ้มกันอยู่ตลอดเวลานะรู้ปะไม่ว่าฉันจะไปไหนความจริงมันก็ไม่ใช่เงินจำนวนมากมายอะไรนักหรอกแต่ใครใส่แหวนเพชรราคาสองล้านสองแสนเหรียญดูออกจะเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงโดยใช่ที่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ได้ใส่แล้วนั่งกรีดนิ้วอยู่แต่เฉพาะในครือข่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 แล้วก็แข็งใจทำเป็นนิ่งเฉยไปซะบ้างแต่ก็มาคิดดูอีกทีนะึ่งไม่อยากได้ยินคำตอบจากโทรศัพท์จากคุณน้ำพลว่าคุณหญิงครับผมยังไม่ได้ข่าวคุณดพินเลยครับรู้สึกว่าตอนนี้จะออกป่าครับเหมือนอย่างที่ฉันเคยได้ยินอยู่ไม่น้อยกว่าสองสามครั้งมาแล้วในการเพียรพยายามติดต่อถึงคุณก่อนหน้าการเดินทางไม่รู้สินะ ว่าอิตาอำพลกระจกกักานท่าในพรานคนนี้ไว้ให้คุณแสงโสมหลานสาวของแกเองหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็น่าดูชมจะเล่นงานให้ล้มละลายเลยนี่คุณรู้ไหมคุณนำพลเป็นหนี้เราอยู่ไม่ต่มกว่าห้าสิบล้านบาทนานมากกว่าหกเจ็ดปีแล้วซึ่งทรัพย์สินของแกทั้งหมดนะ่ะในขณะนี้ไม่พอจะใช้หนี้หรอกถ้าเราจะเรียกร้องตามสัญญาขึ้นมานี่คุณไม่อยากจะอวดหรอกนะ เดี๋ยวนี้นะฉันสวยขึ้นมากนะจะบอกให้รับรองว่าจำไม่ได้ทีเดียวแหละสวยกว่าตอนที่เราพบกันครั้งแรกที่หนองน้ำแห้งซะอีกนียะน้ำหนักตัวเพิ่มสามกิโลแต่เอลดลดลงมาสองนิ้วหรือยี่สิบสามรอบอกนะสามที่ผ้าแต่โพกสามที่ผ้าครึ่งแต่ตัวทำไมมันถึงได้ดูสั้นไปหน่อยก็ไม่รู้สิเมื่อก่อนวัดได้ร้อยหกสิเจ็ดเซนเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะลดไปหนึ่งเซนนะเออ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 ฉันก็ได้ย่นโฉมคุณเธอผู้นั้นจนได้แลนะ้วน่ะในกรุงเทพนี่เองขี่รถสปอร์ตปอเช่อยู่ตึกราคาหลายสิบล้านที่สามีเก่าทิ้งมรดกไว้ให้แต่อย่าหาว่าใส่ไฟเลยนะมินุมหน้าตาดีๆนั่งคู่ในรถไม่ซ้ำหน้ากันซักกวันกระพินไพรวันผู้มีโฉมหน้าหล่อเหลาเหมือนแก่งกวางจะไหวเลยฮะแรงเขียนมาเล่าให้เจ็บใจเล่นยางงั้นแหละจะทาไง รพีนน้อยรักคุณนะอยากจะสลัดความรักอันนี้ไปตั้งนานแล้วแต่มันสลัดไม่ออกนี่คุณให้ตาเท่าหมอผีบุญคําวางสเสนียยาแฝดอะไรน้อยหรือเปล่าสังเกตไหมนอกจากพี่ชายของฉันทั้งสองคนแล้วอ่ะฉันไม่เคยแทนชื่อตัวเองว่าน้อยกับใครมาก่อนทั้งสิ้นนะแม้แต่คุณเองเอาล่ะเมื่อคุณได้รับจดหมายฉบับนี้แล้ว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 โทษฐานผิดสัญญาทรยศขบุตรใจคุณเลือกเอาได้นี่ฉันหมายความตามที่เขียนจริงๆนะก่อนจบจดหมายอันยาวเหเอียดฉบับนี้ซึ่งฉันไม่เคยเขียนถึงใครยาวอย่างนี้มาก่อนขอฝากความรักและระลึกถึงมายังลูกน้องคุณทั้งสี่คนด้วยแต่เท่าบุญคำจันเกิดและเสย หวงว่าเขาคงยังอยู่ด้วยดีกันทุกคนนะและเตือนให้รู้ด้วยถ้าเจ้านายของเขาถูกผู้หญิงคนนึงตามลงไปไล่ล่าโดยไรเฟิลยิงช้างเมื่อไหรแล้วก็พวกเขาทั้งสี่คนจะพลอยถูกล่าพร้อมกันไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพวกเขาไม่ช่วยกันจับเจ้านายส่งตัวมาให้ซะโดย ด, ยดีก็จะเคราะห์ร้ายไปด้วยเขาใจ รักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักจ้ะดารินวาราริทรบพินไพรวันอ่านจดหมายสีชมพูฉบับนั้นจนถึงประโยคสุดท้ายด้วยดวงตาอันรีซึ่มแล้วบรรจงพับช้าชาบรรจุซองตามเดิมค่อยๆ่ ย, ย่้อนลงกระเป๋าเสือ้อแนบหัวใจเอ็นหลังพิงต้นมะข่า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 นตาเท่าบุญคำเดินนําหน้าจันเกิดและเสยตามมาเบื้องหลังลักษณะคนเหล่านั้นไม่มีอะไรรีบร้อนนักแต่เสียงตะโกนเรียกดังลั่นจนหน้ารำคาญ ร, รบพินขมวดคิ้วมองไม่เอ่ยให้เสียงตอบใดๆทั้งสิน้นเพราะพรานพื้นเมืองทั้งสี่คนก็มองเห็นเขาอยู่แล้วไม่รู้จะตะโกนโวกเวกเรียกหาสหวรรค์วิมานอะไร เขานั่งนิ่งเฉยอยู่ในอาการเดิมจนกระทั่งทั้งสี่เดินเข้ามาถึงมีอะไรตะโกนโวกโวกอยู่ได้เสือล่าใครไปกินอีกหรือไงเขาถามเสียงคุ่นคุนทั้งสี่คนหัวเราะบุญคําบอกว่านายเสือนไม่ได้ล่าใครไปหรอกนายแต่คุณอําพลนะให้บุจัดการมาตามนายสั่สงให้เข้าไปที่สถานีกักสัตว์ เห็นว่ามีธุระด่วนจีให้นายไปเดี๋ยวนี้ธุระอะไรกล่ะบุญคำยิ้มแหงแหงธุระอะไรก็ไม่รู้สินายแต่เขาสั่งมายัางงี้แหละบุญคำตามนายอยู่ตั้งนานนึกว่าจะอยู่บนเรือ น, อนโน่นหาจนถั่วก็ไม่พบมานั่งหลับอยู่ใต้ต้นไม้นี่เองไปกันเถอะนายเกลือกของแห่งของเราก็หมดแล้ว มันถึงเวลาที่นายจะต้องเข้าไปจ่ายของในตำบลพอดีบุญคำกับไอ้พวกนี้จะเข้าไปด้วยจะได้ช่วยกันขนของรบพินไพรวันถอนใจเฮือกลุกขึ้นยืนอย่างเกียดคร้านบนพื้นพรมออกมาว่าเบื่อหรือจำเมื่อไรเราถึงจะมีชีวิตอยู่ได้อิสระโดยไม่ต้องคอยเป็นขี้ข่าของพวกนายทุนซะทีนะ อ้าไปก็ไปโว้ยฉันจะแวะไปเยี่ยมแม่ที่อำเภอด้วยทั้งหมดเดินลงจากเนินเหนือฝั่งทานนั้นตรงไปยังบ้านพัดแล้วชั่วไม่นานจิปแลนด์โรเวอร์เก่าคร่ำคร่าที่จอดอยู่ใต้เงาไม้ก็ติดเครื่องดังสนัน่นเริ่มควบขโยขยเยกออกไปตามเส้นทางซึ่งจะตัดเข้าตำบล พิงฝุ่นให้ปลิวระลบอยู่เบื้องหลังท่ามกลางเสียงนกยูงและลิงข้างบางชนีที่ร้องระงมอยู่รอบอาณาบริเวณจบเรื่องเพชรพระอุมาภาคหนึ่งขอได้รับคำขอบพระคุณจากพนมเทียนผู้เขียนณนะบ้านวรรณกรรมผู้จัดพิมพ์ ดวงวิพายุทธสุริยพันธ์ผู้อ่านและทีมงานบันทึกเสียงควบคุมเสียงให้เพลงประกอบจากห้องสมุดคอนฟินเพื่อคนตาบอดคุณอนเนกจันจำรัดคุณเอกกรินบัวหม่และขอเชิญชวนให้หาความสำราญต่อได้ในเพชรพระอุมาภาคสมบูรณ์สวัสดีค่ะ๙ พฤศจิกาคม2546